ตอนที่สามแม่สามีลูกสะั้ยไม่ช่างขมขื่นนะักลงศบใบหนึ่งราคาตั้งร้อยกว่าหยวนเพิ่งจะซื้อให้พี่สามโจเตอชางไปใบหนึ่งจะมาเสียเงินพร่ำเพรื่ออีกไม่ได้หวังเกย่าไม่แม้แต่จะเอ่ยลานางรีบดึงตัวซุนจิวหลิงและ ว, วิ่งออกไปทันทีเพื่อนบ้านเห็นว่าไม่มีเรื่องสนุกให้ดูต่อแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันลานบ้านหลังเล็กพันกับคืนสู่ความเงียบสงบ ซูมานอินและชินเสียวเยเวปิดประตูห้องทั้งคู่หลบอยู่ในห้องพรางจ้องหน้ากันไปมาชินเสียวเยเวเอ่ยปากอย่างยากลําบากสรุปคือพวกเราทะลุมมิติมาแล้วซูมานอินถอนหายใจแถมยิ้เป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้ากันไปเป็นคู่เลยเชียวแต่ยินดีที่มีผู้อํานวยการโรงงานอย่างช่วยไว้เชื่อว่าทางบ้านเดิมของแกในช่วงสั้นๆ น, นี้คงไม่กล้ามาหาเรื่องอีกแล้วล่ะ เมื่อพูดถึงบ้านเดิมของอีกฝ่ายซูมานอินก็แสดงสีหน้าไม่พอใจต่อท่าทางของชินเสี่ยวเยเว่ขึ้นมาทันทีเสียแรงที่เป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ในศตรวรรษที่21แต่กลับยอมให้เขาข่มเหงจนดูไม่ได้ขนาดนั้นทําไมไม่รู้จักโต้กลับบ้างฮะชินเสียวเย้าทําหน้าจนปัญญาก็ใครใช้ให้ฉันมาเข้าร่างลูกสะใภ้ขี้แพ้คนนี้แหละร่างกายก็ไม่มีแรงอีกอย่างฉันก็ต้องรักษาคาแรคเตอร์เดิมไว้ก่อนไม่ใช่หรืองไงชินเสียวเยววกตาไปมาก่อนจะเข้าไปกอดแขนซูมานอินแล้วเรียกด้วยน้ําเสียงทะเลังว่า แม่ขาซูมานอินชงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยืดหลังตรงแล้วขานรับเสียงยาวจา๋าทั้งคู่สบตา ก, กันแล้วก็กลั้นไม่อยู่ต่างโผลเข้ากอดกันพลางทั้งร้องให้ทั้งหัวเราะเหมือนคนบ้าเอาละพอหยุดซูมานอินดึงสติกลับมาได้ก่อนนางตบหลังชิ้นเสียวย เ, เวเ บ, บาๆพวกเราต้องมาทวนข้อมูลกันหน่อยเดี๋ยวคนในบ้านกลับมาจะได้รับมือถู ทั้งคู่นั่งลงบนขอบเตียงข้างแล้วรีบแลกเปลี่ยนข้อมูลในความทรงจำของกันและกันอย่างรวดเร็วซูม่นอินอายุยี่สปีเป็นภรรยาใหม่ของโจเต๋ชางเพิ่งจะกลายเป็นไม้หมัดหมัดกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่ถูกช่วยไว้ได้ในมือมีเงินชดเชยอยู่ก้อนหนึ่งจึงถูกพวกอลานตระกูลโจหมายตาชินเสี่ยวเย้าอายุี่สองปีเป็นภรรยาของโจวเว่ตงลูกชายคนเล็กของโจเต๋ชาง เมื่อสองปีก่อนโจเ ว, ว่ตรงเสียชีวิตในกองทัพนางจึงกลายเป็นไม้ผู้เสียสละนาง ม, มีน้องชายที่ไม่ได้ความอยู่คนหนึ่งตั้งแต่เด็กนางมีนิสัยอ่อนแอจึงถูกคนทางบ้านเดิมสูบเลือดสูบเนื้อมาโดยตลอดบนปฏิทินดาราที่แขวนอยู่บนผนังห้องมีรูปของจางอวีดาราสาวชื่อดังในยุคนั้นยืนยิ้มแย้มอยู่ท่ามกลางหมู่มวลบุปผาดวงตาที่ราวกับพูดได้คู่นั้นดูเหมือนจะกําลังบอกพวกนางว่ายินดีต้อนรับสู่ปีหนึ่ ทั้งคู่จำต้องยอมรับความจริงเป็นการเริ่มต้นที่พินาศสิ้นดีฉินเสี่ยวเย่าทำหน้าเศร้าเท่าที่ฉันรู้บ้านเดิมของฉันน่ามาหลุมดำชัดๆส่วนตระกูลโจนางกว่าสายตามองเพื่อนรักที่ตอนนี้กลายเป็นแม่สามีเวสาวของตนพางเบ้ปากก็ไม่มีใครเป็นคนดีสักเท่าไหร่หรอกทหารมาก็ใช้ขุนพลต้าน้ำมาก็ใช้ดินถมสียังไงแกก็ยังมีแม่สามีอย่างฉันอยู่ทั้งคนไม่ใช่หรือไงเหอได้ทีเอาใหญ่เลยนะ พวกเราพี่น้องรวมแรงร่วมใจย้อมเปลี่ยนดินให้เป็นทองได้มุมปากของซูมานอิงปรากฏรอยยิ้มเจ้าเละก็แค่สู้กับพวกตัวแสบไม่ใช่เหรอเรื่องแค่นี้จิบจิบสำหรับฉันอยู่แล้วขณะที่ทั้งคู่กําลังพูดคุยหยอกล้อ ก, กันอยู่นั้นก็มีเงาดำพาดผ่านหน้าต่างไปสองสามเงาตามด้วยประตูห้องที่ถูกผลักเปิดออกชายร่างสูงใหญ่สองคนคนหนึ่งแก่คนหนึ่งหนุ่มปรากฏตัวขึ้นที่ประตูทันทีนา้ายังไม่ตายเหรอโจอเวมินเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อน เขาและอาสามวิ่งไปที่ร้านค้าแถวชานเมืองเพื่อเลือกลงศพแต่จูจูเมียของเขาและอาสไปสามก็วิ่งหน้าตั้งมาบอกว่าแม่เลี้ยงของเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วทําเอาเขาถึงกับมึนงงไปหมดก่อนหน้านี้หมอจากสถานีอนามัยก็มาตรวจดูแล้วร่างกายเย็นชื้นจนไม่รู้จะเย็นยังไงแล้วทําไมถึงกลับมามีชีวิตได้อีกเดิมทีเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ตายไปก็ดีเหมือนกันอย่างแรกคือจะได้ไม่ต้องทนฟังเพื่อนบ้านนินทาอย่างที่2คือเรื่องเงินชดเชยของตาเท่าจะได้ไม่มีข้อพิพาทอีกนึกไม่ถึงว่าอาสาม โจเตอชุน่นจะยังตามติดมาอีกโดยอ้างว่าตนเองเป็นน้องชายแท้ๆต้องรับผิดชอบงานศพของพี่ชายและพี่สะพ้ยเหอคนที่เกียดสันหลังยาวอย่างกับหมูแบบนั้นอยู่ๆจะมาขยันขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะหวังเงินชดเชยกับบ้านหลังนี้ดังนั้นพอได้ยินว่าสู่ม่านอินยังมีชีวิตอยู่ในใจของเขาจึงรู้สึกยินดีขึ้นมาลึกๆเพราะในเมื่อคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่เรื่องเงินชดเชยและบ้านหลังนี้โจเตอชุ่นก็อย่าหวังจะได้แอมเลย ถ้าพี่สะพายเล็กรอดตายคราวนี้มาได้แสดงว่าท่านเป็นคนมีบุญวาสนามากนะเนี่ยโจเตอชุ่นเรียกพี่สะายเล็กคำหนึ่งก็พี่สะพายเล็กอีกคําก็พี่สะพายเล็กฟังดูสนิทสนมเป็นกันเองอย่างยิ่งอย่าคิดสั้นอีกเลยนะพี่ใหญ่จากไปแล้วยังมีฉันกับเกวีฮาอยู่วางใจเธอวันหน้ามีเรื่องลําบากอะไรมาหาฉันโจเตอสุ่นคนนี้ได้เลยฉันจะจัดการให้พี่สะพายเล็กเองใช่แล้วมาหาพวกเราได้เลยหวังเกวีฮาฉีกยิ้มกว้างพางเอ่อสมทบอยู่ข้างๆ ซุนจิ๋วหลิงรู้สึกเศร้าซึ้งใจนางก้าวไปข้างหน้าพลางกุมมือสู่ม่านอินไว้แล้วเอ่ยด้วยอารมณ์แม่เล็กวันหน้าฉันจะกะตันยูต่อแม่ให้ดีแน่นอนอย่าเสียใจไปเลยนะโจเว่หมินมองดูภรรยาที่ซื้อบื้อของตนไฟโทสะที่ไม่มีปีมีขลุยในใจก็พุ่งสูงขึ้นใหม่อีกครั้งสองสามีภ ร, รยาโจาเตอซุนนั่นก็แค่แซงทําตามารยาแต่นางกลับเชื่อเป็นตุเป็นตะกลัวเหลือเกินว่าวันหนึ่งภรรยาโง่คนนี้จะถูกคนอื่นหลอกขายแล้วยังจะช่วยเขาปัดเงินให้อีกทว่าเมื่อมองดูหญิงไม่่่่คนนนี้้แลลววก็ับาไมงงยยเยจริๆ แม่เล็กพี่สาวฉันไม่อยู่บ้านในบ้านก็เหลือแค่ฉันแล้ววันหน้าแม่ก็มาอยู่กับพวกเราเถอะโจเว่หมินเหลือมองชินเสี่ยวเยเวที่อยู่ข้างกายซูม่านอินน้องสะใยทางที่ดีเธอกลับบ้านเดิมไปเถอดตระกูลโจของเราไม่อาจฉุดรั้งเธอให้ลำบากไปมากกว่านี้แล้วซูม่านอินคิดไม่ถึงว่าอาหลานคู่นี้จะมีเล่เหลี่ยมแพรพราำพอกันไม่ฉุดรั้งอย่างนั้นหรือก่อนโจเต๋ชางจะตายงานในไรนาทั้งหมดล้วนเป็นชินเสี่ยวเยเวที่คอยดูแลตอนนั้นทำไมไม่พูดว่าฉุดรั้งละ่ะแต่การที่เขายังคิดจะรั้งนางที่เป็นแม่เล็กไว้ ก็นับว่ายังมีมโนธรรมอยู่บ้างชินเสี่ยวเย่เว่เข้าใจความคิดของโจเว่หมิงได้ทันทีนางบีบคั้นอารมณ์ครู่หนึ่งน้ําตาก็ร่วงเพาะลงมาที่รองอันนี้ฉันเพิ่งทะเลาะ ก, กับที่บ้านเดิมมาตอนนี้จะให้ฉันกลับไปไม่เท่ากับบีบให้ฉันไปตายหรือคะชินเสี่ยวเย่เว่ดึงแขนซูมา่านอินพลางร้องให้โฮแม่จ๋าชีวิตฉันทำไมถึงได้ขมขื่นอย่างนี้ซูมา่านอินตกหลังนางเบาๆพรางกระซิบครั้งนี้ระเบิดอารมณ์ได้ไม่เลวซุนจิ๋วหลิงเห็นแล้วก็รู้สึกเสะเทือนใจตามไปด้วย เว่ยหมิงให้น้องสะพยอยู่ที่บ้านเถอะจะได้อยู่เป็นเพื่อแม่เล็กด้วยโจเว่ยหมิงเถลึงตาใส่ภรรยางโง่ของตนเธอหุบปากไปเลยนั่นมันแม่แท้ๆของน้องสะพยจะใจร้ายใจดําได้แค่ไหนกันเชียวเขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าร่างเดิมนั้นถูกแม่แท้ๆพลั้งมือบีบคอจนตายไปจริงๆซุนจิ๋วหลิงถูกสามีดุเข้าก็รีบหุบปากฉับก้มหน้ายืนอยู่ข้างๆอย่างกังวลเว่ยหมิงคำพูดของเจ้าหมายความว่าข้าที่เป็นแม่เลี้ยงคนนี้ใจร้ายกับพวกเจ้าอย่างนั้นหรือ ซูมานอินควาประเด็นจากคำพูดนั้นมาขยายความทันทีข้าถามใจตัวเองดูตั้งแ ต, แต่แต่งให้พ่อของเจ้ามาแม้จะไม่ได้ดูแลพวกเจ้าดีเลิศนักแต่ก็ไม่เคยสร้างความลําบากให้พวกเจ้าใช่ไหมเจ้าลองบอกมาซิว่าข้าใจร้ายกับเจ้าและจิวหลิงตรงไหนฉันฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นโจ้เว่ยหมินอึกอักพูดไม่ออกเขาคิดไม่ถึงว่าหลังจากแม่เล็กกระโดดน้ําฆ่าตัวตายไปครั้งหนึ่งฝีป่ากจะกล้าแกร่งขึ้นขนาดนี้แล้วมันหมายความว่าอย่างไรฉัน โจไวไอหมินถูกซูมานอินต้อนจนจนมุมใบหน้าแดงกลับไปถึงลำคอฝ่ายโจเตอซุ่นและหวังเกยหาที่ยืนดูอยู่ข้างๆกลับรู้สึกเบิกบานใจยิ่งนักเห็นไหมละคนประเภทนี้ต้องลูกขนให้ถูกทิศไม่อย่างนั้นจะถูกทิมแทงเอาได้ยังเด็กเกินไปจริงๆทว่าซูมานอินกลับหันขอไปหาพวกเขาพลางเอ่ยปากน้องรองน้องสะพายตอนนี้ข้าเป็นม้ในลานบ้านควรจะเงียบสงบไว้เป็นดีความหวังดีของพวกเจ้าข้าจะจดจําไว้แต่ว่า นางกุมือชินเสี่ยวเยเว่ที่อยู่ข้างกายพลางเ อ, อ๋ยด้วยอารมณ์ให้เสี่ยวเยเว่อยู่เป็นเพื่อนข้าเถอะแม่สามีกับลูกสะพ้ยที่เป็นไม้เหมือนกันย่อมเข้าใจความลำบากของกันและกันได้ดีที่สุดแม่จา๋าชินเสี่ยวเยเว่ร้องเสียงโหยหวนพางซบลงในอ้อมกอดของเพื่อนรักชีวิตของพวกเราทำไมถึงได้ขมขื่นขนาดนี้